บทนี้จะแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายต่อไปได้กล่าวเรื่องในกลุ่มของอยายตนะประภักคือหมวดที่ว่าด้วยอยายตนะหรือประสาทสัมผัสอันเป็นทางมาของสิ่งดีสิ่งไม่ดีและแม้แต่สิ่งที่เป็นกลาง เพราะว่าโลกเรานั้นเป็นโลกของสัมผัสทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราทล้นแต่ผ่านมาทางประสาทสัมผัสคือตาหูจมูกลิ้นกายใจและแม้แต่จะสะท้อนออกไปพอสะท้อนออกไปจากตาหูตาหูจมูกลิ้นกายใจของเราเพราะเรื่องนี้จึงเป็นทางเกิด ทั้ของดีของไม่ดีและสิ่งที่เป็นกรงกร่าท่านยังเรียกประสาทสัมผัสอย่างหนึ่งว่วาถารซึ่งอาจจะแปลว่าประตูหมายความว่าเป็นทั้งทางเข้าและทางออกถ้าเรามองไปที่คนเข้าคนออกก็จะพบว่ามีทั้งคนดีและคนไม่ดีมองที่สิ่งที่เข้าและสิ่งที่ออกไปมันก็มีทั้งดีและไม่ดี เรก็รวมทั้งสิ่งที่เป็นกลางๆด้วยธรรมคําสอนจึงอยู่ในแวดวงของเรื่องเหล่านี้เราจึงเจอเรื่องตาหูจมูกลิ้นกายใจอยู่สม่ําเสมอแล้วก็ไม่อาจจะหลีกเลี่ยงได้โดยเฉพาะ อ, อย่างยิ่งก็คือเรื่องใจถึงเป็นเรื่องใหญ่สําหรับในกรณีนี้ทรงเน้นในเรื่องของการเข้ามาของความดีที่จริง ของความไม่ดีหรือการฟูขึ้นของสิ่งที่ไม่ดีอันใดอย่งสิ่งที่เราเห็นได้ยินได้สุดดมได้ลิ้มได้จับต้องก็เป็นสิ่งที่มีอยู่เป็นอยู่โดยธรรมชาติธรรมดาของมันท่เรียกว่าเป็นสังขตธรรมคือธรรมที่เกิดขึ้นมาจากปัจจัยปรุงแต่งมันมีอยู่ตั้งแต่มีโลกมาแล้วแม้บางอย่างจะมีมาหลัง หลังนั้นหลังจากนั้นแต่สิ่งนั้นก็คงเป็นสิ่งที่เราเห็นด้วยตาได้ยินด้วยหูสูดดมด้วยจมูกดื่มด้วยลิ้นถูกต้องด้วยกายอยู่นั่นเองความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นภายในจิตจึงอยู่ในจึงอยู่ที่ในขณะนั้นเรามีปัญญาหรือว่ามีโมหะคือความไม่รู้ ธรรมีปัญญาคือความรู้เห็นเท่าตามความเป็นจริงของสิ่งนั้นๆปนัญหาที่เกี่ยวกับการภูกขึ้นของกิเลสภายในมันก็ลดลงไปหรือบ่าไม่มีเลยซึ่งจะสังเกตได้ว่ามีลหลายเรื่องลหลายการณีที่ได้เห็นได้ยินในสุดรมได้เลี้ยวไดะจับต้องแล้วคนบางพวกเกิดกิเลสแรงบ้างไม่แรงบ้าง คนบางพวกก็อาจจะเกิดเฉยๆแต่บางพวกก็อาจจะเกิดธรรมะซึ่งก็ขึ้นอยู่กับพื้นฐานผูกปัญญาของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องอนั้นในกรณีของสังโยชน์ซึ่งงาที่จริงแล้วก็คือเรื่องของความโลภของกความโลงแต่เป็นรูปของตะกอนใจ หมายความว่าไม่ใช่ความโลคความโกรธความหลงที่แรงเพราะไม่มีกําลังมากพอที่จะควบคุมบังคับกายวาจาของคนให้พูดผิดทําผิดแล้วที่จริงก็ยังไม่ถึงก็คิดผิดเพราะมันสงบอยู่ภายในตานองตุ่มน้ําที่มีตะกอนอยู่ข้างล่างขวดน้ําที่มีตะกอนอยู่ข้างล่าง ข้างบนก็คงดื่มได้ดีอยู่เียงแต่ว่าถ้าทำห ย, ยาบๆต่กอนน้ำมันขึ้น ม, นนมาน้ำนั้นก็คุณมัวเศ้าหมองไปการปฏิบัติในระดับนี้จึงเป็นเรื่องที่จะต้องอาศัยสติสมัมปชัญญะความเพียรที่มีกำลังมากพอคือสังเกตเห็นความเปลี่ยนแปลงทางจิตของเราในขณะที่ เดนุกฟังเสียงเป็นต้นเขาทรงสอนให้ดูในกรณีที่กิเลสมันเกิดขึ้นเพราะถ้าห า, ากิเลสเกิดขึ้นนั้นจะต้องมองให้เห็นในแง่ของความเป็นโทษจะมากหรือน้อยก็ตามทั่งห ม, มบลักษณะเหล่านี้ที่จริงเราก็มีอยู่ถ้าหากว่ามีความรอบรู้ในเรื่องหนั้น เช่นสมสมติรกไฟลุกไหม้ขึ้นยิงจุด เ, ดเล็กๆก่อนเราก็มองเห็นวยความเป็นโทษก็รีบดับเห็นน้ำมันหกราดลงไปแม้จะมีจำนวนไม่มากก็รีบเช็ดน้ำมันนั้นออกไปหรือเดินมินเมนิข้าวจะตกลงไปก็รีบจะแก้ปัญหาในขณะนั้น แสดงว่าถ้าใจมันรู้เท่าทันมองเห็นเป็นภัยเป็นอันตรายแล้วความคิดที่จะป้องกันจะบาบัิมันจะเกิดขึ้นสัมพันธ์กับการกระทำนั้นๆในขณะในแต่ละขณะแต่สิ่งเหล่านั้นเป็นรูปธรรมมันก็ดูกันได้ง่ายหรือบางครั้งบางคราเรานึกไม่ออกรอเรานึกไม่ทันก็มีคนอื่นจะดูแลแต่นรช่วยดึงช่วยห้ามช่วยเรียก หรือบางทีเขาใช้จับเอาไว้เราทำไมเรารอดปลอดภัยอันตรายแต่การทางใจไม่มีใครรู้มันเป็นเรื่องที่เราต้องรู้โดยตัวของเราเองเพราะในขณะนั้นนั้นมีกิเลสประเภทใดประเภทหนึ่งฟูขึ้นหรือไม่คนนี้ได้โปรดสังเกตในรูปของการพิมพ์หรือการสอนหรือการปัญญายกับรูปของการปฏิบัติจริงๆว่ามันต่างกัน รูปการพิมพ์หรือการเขียนมันก็ต้องกินเนื้อที่มันก็ต้องเรียงลงมาตามลำดับรูปการสอนนั้นจะสอนบรรยายตามลำดับความยากของกิเลสในกรณีของสังโยชนนั้นเราพูดในตามลำดับที่พระยาบุคคลทันละได้หมายความวาสามข้อแรกคนในร้านหน้าเด็ดขาดก็คือพระโสดาบัน สองข้อหลังเกลรวมกันแล้วเป็นห้าข้อพระณาคามีธนระได้เด็ดขาดห้าข้อสุดท้ายเกลีรวมกับห้าข้อแรกรวมเป็นสิบข้อพระโสดาบะพระอรหันธนระได้เด็ดขาดแต่ในแง่ของการเกิดมันไม่ได้เกิดตามลำดับอย่างนั้นซึ่งเราจะเห็นว่าบางครั้งมันเกิดอวิชชาเลยหมายความว่าเป็นสังโยชน์ตัวสุดท้ายเนี่ยมันเกิดขึ้นมาได้ คนนี้เป็นสังเกตเช่นเรามองเห็นภาพไกลๆไม่รู้เป็นภาพใครก็แสดงอวิชามันเกิดก่อนภาพของบุคคล น, นั้นเราอาจจะรู้จักแต่มันไกลเราจึงไม่รู้ว่าเขาเป็นเราไม่รู้ว่าเป็นเขาก็กลายเป็นอวิชาเกิดในขณะนั้นแต่บางทีไม่ไกลแต่มันมืดมองไม่เห็น อวิชชาผมก็เกิดก่อนในขณะนั้นหรือบางครั้งบางคราวเนี่ยตาเราไม่ดีแม้จะอยู่ไม่ไกลแต่ตาเราไม่ดีเราก็ไม่เห็นอีกเราเห็นไม่ชัดอีกมัน ก, ก, ก็กลายเป็นอวิชชาเกิดขึ้นมาอีกแต่บางเวลานั้นประสาทตาเราไม่มีปัญหาแต่ลักษณะาทางอากาศมีปัญหา แสงสว่างมีไม่พอเรือกาศมืดครึมก็มองเห็นในรูปของการรับคร่ครับขาก็แสดงว่าในจุดนี้วิจิตริษาซึ่งเป็นสังโยชน์ตัวที่สามันเกิดแต่บางครั้งก็มีตัวกระตุ้นทำให้เราเกิดความถือตัวถือตนที่เราถือเขาเกิดมาก็สักกายทิฏฐิมื่อเกิดบางครั้งการกระทำของคนที่ เรารักใครชอบพอเนี่ยแต่เราก็มองเห็นเขาไม่ชัดอวิชชามันก็เกิดเพราะเขาแสดงอาการไม่ดีขึ้นมาโทสะมันก็เกิดเพราะเขาแสดงอาการดีขึ้นมาหรือว่าเราเห็นก็ชัดขึ้นความรักมันก็เกิดรเราแสดงว่าการเกิดมันก็ยูจิ่เงื่อนไขต่างๆไม่จำเป็นเราข้ได้ข้อหนึ่งจะต้องเกิดไม่ได้เกิดตามลาดับอย่างนั้น ทำมองใล้ๆการละเมิดศีลหรือการรักษาศีลของเราเราก็เรียงกันมาอย่างนั้นการเรียงตามลำดับนี้เป็นการเรียงยังมีเหตุผลคือให้ความสําคัญแก่ชีวิตเป็นอันดับหนึ่งเมื่อทำอย่างไงทําอะไรไม่ได้ก็ขออย่าให้ฆ่ากันก่อนอย่าทาลายชีวิตกันก่อนแต่เมื่อเราไม่ฆ่าไม่ทํำลายชีวิตเขาแล้ว เขาต้องอยู่ได้ด้วยมีทรัพย์สินที่เรียกว่าอุปโภคบริโภคก็อย่าไปทําลายทรัพย์สินของเขาเขามีชีวิตก็มีทรัพย์สินแต่คนเราก็ต้องมีคู่ครองก็อย่าไปทําลายคู่ครองเขาในจุดนี้ที่จริงแล้วสําหรับเขามันก็อยู่ดีมีสุขแล้วแต่เราต้องไปเกี่ยวข้องกับเขาทํำยังไงจึงจะพูดจากกันในเรื่องที่เป็นคําสา์คําจริง และเราเองก็ต้องไม่เป็นศัตรูตัวตนเองโดยการตกเป็นทาคของสิ่งเสพจิตให้โทษตึ้งแต่จ <ER ุดนี้อาจจะนำไปสู่การเราวิวาธกรรมรัฐุสร้ายร่างกายการรักการขโมยเจตนาในการรับท่านเรียงตามลำดับความสำคัญของสิ่งที่เราควรงดเว้นไม่ล่วงละเมิดแต่การรวบรวมระวังบางครั้งมันก็เกี่ยวกับสุราก่อน บางครั้งอาจจะเรื่องของคําพูดบางครั้งอาจจะเรื่องของทรัพย์สินบางครั้งอาจจะเรื่องของู้ครองแต่ก่อนหลังมันไม่เกี่ยวมันอยู่ที่กรณีแต่ละ ก, กรณปรปรีประเด็นสําคัญอยู่ที่ว่าในจุดนั้นๆแหละให้สํารวมระวังให้ได้อย่าไปร่วมเกิดเขาเรื่องกิเลส ท, ที่เกิดขึ้นภายในใจก็มีลักษณะอย่างเดียวกันว่าในกรณีที่ตายรูปเป็นต้นนั้นสังโยชน์สังโยชน์ข้อใดข้อหนึ่ง มันเกิดขึ้นก็มองให้เห็นประจักว่าในขณะนั้นสังโยกเกิดขึ้นทํานองใกล้ๆเห็นอสราพิษมาก็ต้องหลบเห็นควายลูกลามมาก็ต้องวิ่งเห็นน้ําหลากมาเห็นดินถลม่มเห็นปุ่เขาฟังทลา ย, ยานี่อ น, นั้นคือภาพที่เป็นรูปธรรมเห็นได้ชัดมากบุคคลที่มีสติสัมปชัญญะ ด, ดีพอต้องวิ่งหนีให้รอดปลอดภยัย การแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในขณะนั้นได้แต่ยันที่บอกแล้วว่าความรู้สึกเนี่ยมันอยู่ภายในอันตรายจากข้างนอกนั้นเราอาจจะขาดสติสมัชฌยะอาจจะตกใจอาจจะพิกลพิการแต่คนอื่นเขาจะช่วยเราได้แต่ภายในเป็นเรื่องที่เราจะต้องรู้ด้วยใจของเราเองแล้วแก้ไขด้วยใจของเราเองรู้เท่าท่านตามความเป็นจริงว่าในขณะนี้กิเลสตหลนี้มันเกิดขึ้น และกิเลสเหล่านี้เป็นของมีโทษเกิดขึ้นแล้วจะเบียดเบียนจิตใจเราก่อนและต่อไปก็จะตอกย้ําจิตใจที่เราคิดกระรุ้มด้วยอำนาจของกิเลยแล้วจะเกิดอาการชอกช้ำภายในใจอาการเจ็บปวดอาการประสบความทุกข์ทรมานจนถึงกระดิ่นรนแล้วก็คุมไว้ไม่อยู่ก็ออกมาทางวัชชะทางกาย ความรุนแรงก็กิเลสมันก็เพิ่มขึ้นโดยตดําๆมองเป็นรูปธรรมก็คล้ายๆไฟที่มันลุกไหมก้กันอยู่เล็กๆแล้วมันลามไปเรื่อยๆมันก็ร้อนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆล้างผลานมากขึ้นเรื่อยๆอย่างที่พูดกันว่าไม่ขีดก้านเดียวมันก็เผอมเมืองได้ดังนั้นเมื่อมองเห็นโทษแล้วก็ต้องพยายามให้มันเกิดเท่าที่มันเกิดแล้วก็ดับเสียในขณะนั้นถ้าทำได้อย่างนี้ก็เป็นการดี แต่ตามปกติแล้วสติสัมปชัญญะมักจะเกิดขึ้นไม่ทันเมื่อไม่ทันก็ดับเขาในขณะนั้นไม่ได้มาดับไม่ได้ทำทำยังไงจึงจะบรรเทาได้คือลดความรุนแรงข้องการเผาไหม้การทำลายการเผาลดจนไม่ถึงกับมีความเร่าร้อนเกิดขึ้นภายในใจเพราะถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วกิเลสมันไม่ได้เรียกว่าสังโยชน์แล้วมันเป็นเรียกว่านิวน์ คือสิ่งที่กั้นจิตคนเอาไว้บ้างเป็นอุปกิเลตคือเครื่องที่ทําจิตได้เศ่อาหมองบ้างมันก็มองกลับไปที่รูปวัตถุอีกทีหนึ่งก็คือทํานองตะกอนที่ขึ้นมาแล้วขึ้นมาเรื่อยๆในสุดน้ำมันก็ขุดหมดตั้งแต่ข้างบนจนถึงข้างล่างแต่ถ้าเราจะพยายามลดเอาไว้อย่ามันขึ้นไปมากๆข้างบนก็ไปใช้งานได้ดีอยู่เพราะแนวของกิเลสจึงส่งสอนในรูปของการป้องกัน ถ้าป้องกันไม่ได้ก็ต้องลดความรุนแรงถ้าลดความรุนแรงยังไม่ได้มันก็ต้องทำคือบันเทาไปเรื่อยๆเพื่อหยุดสิ่งเราดันเอาไว้ในระดับใดระดับหนึ่งให้ได้ตัวนี้จะต้องใช้ความพยายามมาก มันก็มองภาพกลับไปที่ไฟก็จะเห็นในชาติว่าพอไฟลุกลามไหม้มากเราดับตอนแรกไม่ได้มันเริ่มลุกไหม้ก็ต้องพยายามที่จะบรรเทาไม่ให้ไหม้มากๆซึ่งกหมายความว่าพยายามดับไปเรื่อยพยายามป้องกันพยายามอะไรที่มันจะเป็นเชื้อไฟไหม้มันต้องดึงออกไปอะไรจะพอจะดับไฟได้ก็เอามาจะเป็นผ้าจะเป็นไม้จะเป็นน้ําจะเป็นอะไรก็ไม่รู้จะเป็นแก๊สเป็นเกลือก็เอามาเครื่องดับไฟ ซึ่งความพยายามจะต้องต่อเนื่องสติสัมปญญาจะต้องต่อเนื่องในภาพของการดับไฟเราจึงพบ ว, ว่าคนที่ดับไฟเรยขาดความระมัดระวังก็เป็นอันตรายถึงแต่ชีวิตก็มีการดับไฟคือกิเลสมันก็มีแนวนั้นพรากิเลสแต่ละข้อท่านยังสอนให้รู้ลักษณะโทษ โทษในขณะนั้ น, น, นแล้วก็โทษในช่วงต่อไปจึงทรงสแสดงแนวกังกิเลสเช่นว่าสิ่งเนี้ยมีโทษแล้วก็มีทุกข์เป็นผลต่อจากนั้นอ่าจออกมาในรูปของการสร้างความเดือดร้อนแก่ตนแก่คนอื่นแล้เลยยิ่งไปกว่านั้นก็คือมีความเสื่อมเป็นผลต่อเนื่องกันไปความเสื่อมมันก็ทุกข์ก็เกาะติดตามไป แล้ในขณะเดียวกันกิเลสก็เพิ่มขึ้นได้อีกเพราะทากลางความทุกข์นั่นเองกิเลสก็เกิดขึ้นได้ทํากลางความเสื่อมนั่นเองกิเลสก็เกิดขึ้นได้แล้วก็ส่งแสดงในรูปเขาเรียกว่ามีอบายเป็นที่ไปในสัมป라ยาภพภายภาคหน้าและความรุนแรงในบายมันก็รุนแรงเพิ่มขึ้นตามกะบังของกิเลส แการศึกษาในรูปของจิตวิเคราะห์คือดูจิตตัวเองถึงลักษณะของเขาจะในกรณี้องความเครื่องแครงสงสัยซึ่งเป็นกิเลสประเภทโมหละลักษณะของโมหะก็คือรู้ไม่ชัดเจนไม่แจ่มแจ้งถ้านมองมองภาพในท่ามกลางบรรยากาศเขามกหมัวมันก็มองไม่ชัดหรือมองภาพในที่ไม่ไกลจนเกินไปไม่ใกล้จนเกินไปไ คือมองจะไม่ชัดเจนเพราะอะไรก็ตามถ้าจะให้ชัดเจนเนี่ยในกรณีที่ดูมันก็ต้องมีแสงสว่างประสาทตาประสาทตาของเราต้องดีสติเราสติปัญญาที่เป็นมีข้อมูลในเรื่องเหล่านั้นก็เราต้องมีอยู่มากแต่สิ่งที่เราดูนั้นจะต้องอยู่ใกล้เกิดใกล้พอมองเห็นได้ทุกแง่ทุกมุม เราต้องใส่บาก้รนลดลงไปในกรณีของเสียงมันก็เป็นเช่นนั้นเช่นนั้นจะต้องชัดเจนพอสมควรประสาทหูเราเองต้องไม่ปิการเรามีพื้นฐานความรู้ในเรื่องเสียงเหล่านั้นว่าเป็นเสียงดีเสียงไม่ดีเป็นคําด่าเป็นคํำยกต้องเป็นคําเรื่องร้าสาระหรือมีสาระเป็นเรื่องของธรรมะหรือเรื่องของอะไร ถ้าว่าเป็นอย่างนี้การมองเสียงก็ชัดเจนขึ้นความเครียดแรงสงสัยมันก็จะลดลงไปเพราะณะของความสงสัยก็คือเรื่องของกล่าวของความไม่ชัดเจนยิ่งไม่ชัดเจนมากเท่าไหร่ยิ่งสงสัยมากขึ้นดังนั้นแต่บางทีมันเลยสงสัยไปอย่างของอยู่ในที่มืดเราเลยสงสัยไปคือเราไม่รู้เลยเพราะมันมืดไปหมดหรือพราสายตาเราพิการเราดูไม่เห็นอันนี้เราก็ไม่รู้ว่ามันเป็นอะไร ความต้องสัยจึงเป็นความรู้ที่ไม่จริงหรือว่ารู้บางจุดบางแ ง, ง่บาง บ, บุกซึ่งก็เป็นที่จะต้องเพิ่มข้อมูลในเรื่องเหล่านั้นที่ต้องใช้คำว่าโยนิสุปมนนาสิกานคือการพยายามนําเรื่องเหล่นั้นมาคิดอย่างมีเหตุมีผลมีความต่อเนื่องเป็นกระบวนการอย่าลืมว่าสิ่งทั้งหลายเป็นกระบวนการทั้งหมดมันเชื่อมโยงกันระหว่างอดีตปัจจุบันอ น, นาคต ถ้าเราจะไปมองตัดตอ น, นเฉพาะตอนใดตอนหนึ่งหรือมองเฉพาะอาดีตอย่างเดียวมันก็เป็นแค่อดีตมันก็เกิดขึ้นแล้วในอดีตดับไปแล้วในอดีตเราก็จะไม่ได้ประโยชน์อะไรจากอดีตแต่ถ้าเราอาดีตเหล่านั้นมาใช้เป็นเครื่องมือเป็นข้อมูลในการคิดในการพิจารณาเทียบเคียงในการวิจัยตัดสินที่นี้เกิดขึ้นในปัจจุบันเราก็ได้ประโยชน์จากอาดีตตอ น, นั้น แล้วนั่นอดีตันเองใช้เพียงสองแนวถราใช้แนวอื่นแล้วมีปัญหาดำเนินก็คือใช้เป็นบทเรียนและจากการใช้เป็นบทเรียนนั่นเองก็คือใช้อยู่สองแนวถ้าเป็นเรื่องกค็ความดีก็ใช้เป็นแนวในการดาเนินประพฤติปฏิบัติต่อไปคือสืบสารต่อไปถ้าเป็นเรื่องที่ไม่ดีควรจะมองเห็นโทษ เป็นการกระทำของคนอื่นก็ควรจะหวาดกลัวขยะดถ้าเป็นการกระทำของเราเองก็ควรจะขยะดควรจะหลับจับไม่เกิดเป็นอาการซ้ําซ้อนขึ้นมาอีกต่อไปแต่ถ้าเราเกิดเอาอาดีตมากลุ่มมาวิจกกังบลมาคอยพว้าซึ่งเราสังเกตกลับอีกทีว่าโดยพื้นจิตโดยทั่วไปเนี่ยคนไม่ได้ใช้อดีตแนวนั้น แต่ใช้อดีตที่ดีที่ตนรักใคร่ปรารถนาพอใจเป็นเรื่องของการเพอร้อขวัญพร่ำเพ้อเรียกหาตลอดทั้งรำพึงรำพันทั้งบนเพอ้อไปแล้วก็มีชีวิตส่วนตัวคือสร้างโลกส่วนตัวขึ้นมาแล้วตัวเองก็ไปอยู่กับอดีตปฏิเสธปัจจุบนันไม่พอใจไม่ชอบใจในปัจจุบนันอดีตเราก็แก้ไขไม่ได้ถ้ามองในแนวนั้นเวลามันชีวิตเพิ่งก็สูญเสียไป โดยไม่ได้ประโยชน์อะไรปีอดีตที่ไม่ดีเรานำมาเป็นเรื่องเครียดแค้นชิงชังจะสร้างขึ้นมาใหม่ในปัจจุบันเราคล้ายๆเคยต่อยกันมาแล้วในวันก่อนก็อยากจะต่อกันอีกความทุกข์ความเดือดร้อนการต้องติดทุกข์ติดตารากการแตกจากมิตรการซึมเสื่อมสิ้นทรัพย์เป็นต้นเนี่ยได้เกิดขึ้นแล้วเพราะการทะเลาะวิวาทกันนั่นล้วจะเอามาใช้อีกเอามาใช้อีกก็โดนอีก เป็นอาการของความไม่หลับจำเ ป, าามมเป็นอาการของความไม่หวาดกลัวต่อความชั่วเป็นอาการไม่ขยาด ต, ต่อทุกขเวทนาที่ตนได้เคยประสบมาแล้วแต่ก็เป็นเรื่องแปลกว่าคนมักใช้อดีตในแนวนี้ทางด้านทม่ใช้ไปแล้วไม่ได้ผลอะไรขึ้นมาส่วนหนึ่งก็คือผ่านการเวลาไปเสียพลังงานไปตัวเองก็แก่ไป แต่อะไรจะสิ่งเหล่านั้นไม่ได้เพราะเป็นลงยุคกับอดีตต้องการจะให้กลับแต่เป็นการให้กลับแต่ค่อนข้างตลกคือไม่ใช่เอาทั้งหมดเอาเฉพาะที่ดีๆที่จริงสมมติว่าเราจะต้องการก็ต้องการมันทั้งหมดเพราะอดีตเนี่ยมันทั้งหมดไม่ใช่ว่าเฉพาะจุดใดจุดหนึ่งเราจะต้องเอาไว้ที่เป็นเด็กๆเล็กๆอยู่แบรบอกมาด้วย ปัญาต้องขารว่าสมมุติอตมาได้แล้วใครจะเลี้ยงเนะพราะแม่ก็ต้องฟื้นขึ้นมาใหม่ก็คงจะยุ่งกระใหญ่แล้วเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้มากยิ่งขึ้นแต่เราคิดได้ลึซึ้งไปเป็นไปไม่ได้ด้วยประการทั้งปวงไม่ได้สาระประโยชน์อะไร เ, เพราะแนวอนุสติที่พระเจ้าสอนเป็นเรื่องอดีตให้ลองสังเกตว่าเรื่องอดีตที่ทรงสอนเนี่ยสอนเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการประพฤติปฏิบัติ ด, ดีงามต่อไป เรระลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าก็เป็นระลึกอดีตแต่ระลึกเพื่อให้จิตสงบงอยู่ที่พระพุทธคุณใช้พระพุทธคุณเป็นเครื่องมือเป็นเครื่องยดเหนี่ยวทางใจทําใจให้แนบแน่นอยู่ที่คุณของพระพุทธเจ้าแล้วก็น้อมนาเอาคุณของพระพุทธเจ้ามาเป็นหลักในการดําเนินชีวิตเพื่อตนเองจะได้มีจิตใจที่มีความรู้มีความตื่นมีความเบิกบานโดยเสด็จทุกคน รบุกนของพระพุทธเจ้าคิดแบบนี้ได้ประโยชน์คือย้อนไม่เท่าไหร่ก็ได้มันได้ประโยชน์เพราะเราเอามาใช้ในปัจจุบันไม่ได้ไปสร้างโลกของตนเองขึ้นในอดีตท่านทนี้ชีวิตต้องอยู่กับปัจจุบันการระลึกถึงคุณประธรรมการระลึกถึงคุณพระสงฆ์การระลึกถึงการบริจาค ก, การระลึกถึงศีลการระลึกถึงเทวดาเป็นต้น ที่จรงแล้วเปเรื่องอดีตทั้งนั้นแต่เป็นการระลึกนํามาใช้ประโยชน์ในปัจจุบันเป็นวิธีชีวิตเป็นหลักการเป็นวิธีการเป็นผลที่ดีงามซึ่งเรานํามาใช้ในเรื่องอนาคตเทียนมรณสตินี่เราก็ไม่ตายในขณะนี้เรายังไม่ตายยังไม่ลมหายใจอยู่ถ้าก็ ร, ระลึกแต่ระลึกเพื่อให้เราไม่ประมาทในการดํารงชีวิต เพราะความตายอาจจะเกิดขึ้นในนาทีหน้าในชั่วโมงหน้าในวันหน้าเือนหน้าปีหน้าเมื่อไรก็ได้แล้วเราก็ไม่รู้จะตายที่ไหนจะตายอย่างไรจะตายโดยวิธีใดมันก็ตายก็ตา ย, ม, ตายมันก็คือกันปนัญหาสำคัญจึงไม่ได้อยู่ที่ว่าตายเมื่อไรแต่ว่าในขณะที่เรามีชีวิตอยู่นั้นเราจะทำอย่างไงเพื่อชีวิตที่ไร้สาระเราได้สาระ จากการกระทําไม่ใช่ได้สาระจากตัวชีวิตเพราะตัวชีวิตมัน ม, มีสาระมันแยกย่อยน้ําก็ไปสู่น้ําดินก็ไปสู่ดินลมก็ไปสู่ลมไฟก็ไปสู่ไฟอากาศก็ไปสู่อากาศเ ป, นป็นการคืนตัวเองเข้าสู่ธรรมชาติอย่างจานวนปัจจุบันที่เราพูดกันว่าคืนอะไรต่อมีอะไรให้แก่ธรรมชาติร่างกายเราที่จริงก็คืนในธรรมชาติ เวลามาเกาะคุมกขึ้นมาใหม่มันก็เกิดเป็นชีวิตขึ้นมาใหม่ต่อไปมันก็คือให้ก็อีกเรียกว่ากลับสู่ธรรมชาติจึงยังเคยยกตัว อ, อย่างให้ฟังว่าพระเนมิตกากรนามคือพระนามที่พระพุทธเจ้าใช้แทนพระองค์เป็นสรรพนามที่เรียกพระองค์เวลาพูดกับชาวบ้านหรือว่าพูดกับพระสงค์ที่เ ร, เรียกวัตถาคต คือแปลเป็นในไทยแล้วว่ามาอย่างไงก็ไปอย่างนั้นคือมาอย่างที่เรามาไปอย่างที่เราไปให้เราสังเกตว่าเรามาอย่างอย่างไรเราก็ไปอย่างที่เรามาคนบางคนอาจจะพูดว่ามีเสื้อผ้ามีอะไรอะไรติดตัวไปเยอะตอนมาไม่มีอะไรมาเลยก็จริงก็ไม่ได้ติดจริงนะมันก็ติดอยู่โลกไม่ได้ติดใจของกล่นไป โลงเยี่สวยหรูวิจิตพิสดารยังไงก็ตามเงินที่ใส่ปากเข้าไปอะไรเนี่ยมันเป็นสบายของโลกมันทิ้งอยู่ในโลกไม่ได้ติดจิตมันนีมีอิทธิพลอะไรในการที่จะสร้างให้บุคคลเหล่านั้นนำเรื่องเหล่านี้ไปด้วยแต่จะนำไปได้มันก็ต้องมานำไปรูปของบุญกุศลไม่ใช่นำไปรูปการใส่โล่ซึ่งก็มีแนวอีกระดับหนึ่ง คือการทำบุญอุทิศกุศลส่งไปให้แก่ผู้ตายปัญหาเรื่องจิตใจเนี่ยก็สำคัญก็อยู่ที่คิดได้คิดดีคิดเป็นแต่เราเข้าใจคิดเนี่ยเราจะหาได้หาประโยชน์ได้จากเรื่องอดีตในสองแนวดังกล่าวแต่ชีวิตจริงๆนั้นอยู่ที่ปัจจุบันเพราะงั้นต้องใช้ต้องนอาอดีตมาใช้ในปัจจุบัน แต่เรื่องอนาคตก็คือการไม่ประมาทในปัจจุบันเพราะอนาคตมันเป็นเรื่องที่อยางไม่มาจะมาหรือไม่มาเราก็ไม่รู้แต่พอมาแกก็เป็นปัจจุบันเองแกไม่ได้เป็นอนาคตอนาคตเป็นอยู่ข้างหน้าเราตลอดแต่ก็ไม่เคยมาถึงพอมาถึงก็กลายสถานะตัวเองเป็นปัจจุบันมาก็กลายเป็นปัจจุบันมาก็กลายเป็นปัจจุบันอนาคตเป็นคำบาลีถ้าแปลเป็นไทยจะเห็นได้ชัดเจน แปลว่าสิ่งที่ไม่ได้มาแล้วหมายความยังไงถ้ามาพรุ่งนี้มามันก็ไม่ใช่เป็นพรุ่งนี้แต่มันเป็นวันนี้เพราะถึงมรุ น, นี้มันก็เป็นวันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่มรุ น, นี้อนาคตมันก็อยู่ขนาดเราตลอดการปฏิบัติจึงเน้นย้ำอยู่ที่ปัจจุบันให้บุคคลพยายามไม่มัวมองไม่ประมาทในปัจจุบันในกรณีของสังโยกก็คือการพยายามรู้เท่าทานาันครับ กรรรรงง็รีบรีบระรีปันเทารีบสงบระงับรีบดับมันก็เหมือนกระดับไฟมันก็หลบอสราพิษมันก็หลบน้ําหลากมันก็หนีภูเขาถลม่มบ้านพังรถชนอะไรก็ตามเพราะว่าสิ่งเหล่านั้นถ้าเราขืนหลบไม่ได้หรือหลีไม่ได้เบรคไม่ได้แล้วก็จะต้องเป็นอันตรายส่วนจะบ้าหรือน้อยมันก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่ที่แน่นอนที่สุดคือเป็นอันตราย กิเที่เกิดขึ้นภายในใจของบุคคลก็มีลักษณะอย่างนั้นตังนั้นการปฏิบัติในแนวของจริงทุกแนวเรื่องสติสมัมปชัญญะความเพียรจำเป็นจะต้องใช้ให้ทันกับกรณีนั้นๆแล้วก็มีความต่อเ น, นื่องซึกงหมายความว่าไม่ได้อยู่ในรูปแบบหรือสถานที่ใดที่หนึ่งเพียงอย่างเดียว แต่เราก็ต้องมีสติสัปพัญญาเ่านันอยู่ตลอดไปต่อเากนี้ไปขอให้ตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป